สิ่งที่เราก็ทําหรือประกอบการนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการซ้ํางถ้าเรามสร้างศรัทธาให้มันคงในดีก็จะเบือ่อในเรื่องการปฏิบัติอันนี้เราก็ต้องถือว่านี่มันเป็นการสั่งสมสั่งสมอินทรีย์เพื่อมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับไม่ใช่ทาวันหนึ่งสองวันแล้วก็จะสําเร็จไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทางภาหาัยทั้งหลายนท่านสร้างสั่งสมมาอย่างนี้ไม่ใชน้อยเลยแต่ว่าพุทธเจ้าโอพระพุทธเจ้าของเรานี่ยนะวัเสีรสงไข่กับแสนมากับไอ้กับกับเกือบเกือบได้เหมือนกันมีปัญหาจะตอบมาได้สักทีหนึ่งแล้วเท่านั้นเท่านี้อตกากถาก็เปรียบเทียบว่า กับหนึ่ ง, ง, ง, ก, งกับหนึ่งนั้นก็ต้องเปรียบเทียบกับหนึ่งนั้นว่ามีเทวดาเอาผ้าละเอียดละเอียดเนว่าปีหนึ่งเรื่องไงเนี่ยเอาผ้าละเอียดมาเช็ดภูเขานั้นจนภูเขานั้นมันลาบเคียงกันัลนก็ได้กลับหนึ่งวันโอ้โหวาตาอาจารยร์เปรียบเทียบจนมันจะเป็นไปได้ มันจากนั้นจะเป็นไปได้ที่ไหนกับแตวค้าอ่อนๆเป็นรูปภูขเขามันมั น, มนต่าเนาะเปรียบเทียบมาจนหนุนทางคิดได้เ่ยเรียก ว, ว่ากับแล้วก็เป็นการนับกับตั้งกับดี้วที่เจ้ากรว่างนั้นก็แสดงก่าได้สร้างนานนึกเกิดภาษาวงที่เป็นตําแหน่งอย่าภาษาดิบุตรโมคกาลานะ ก็ต้องหลายกลับเยอะส่วนอันที่มีตําแหน่งแต่ราคาทางหลายหน่นะต้องสร้างนานอยู่พอเป็นความตั้งใจว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดได้ไม่เจตนาตั้งใจว่าจะได้อย่างนั้นหนึง่งไม่เป็นไรทําบุญให้ทานไปเรื่อยๆมันก็เป็นเมตไส์วาทนาแล้วก็จะไปเจอพุทธเจ้าก็ได้มันได้มรดกผลไปเอง แต่ไม่มีอญญัิญาเท่านะไม่มีคนพิเศษอันใดที่จะมีชื่อมีเสียงอะไรได้แต่ก็ได้เป็นทาหารเหมือนกันหมดกิเลสมันกันแต่ว่าเป็นทหารประเภทปัญญายมุดปัญญายมดหมายั้งว่ามันมีปัญญาเกิดวิปัสนาได้กันละกิเลสได้เลย ละสังโยนได้ขาดหมดเลยแต่ไม่มีปิจาไม่มีอัยายาปยญาปนญาหกทีวีที่แสดงนิดต่างๆได้อกวีที่แสดงบบนิตต่างๆได้ทีวีทีท่ประสโสดูทิบปฟังเสียงมนุษย์ไกลๆก็ได้ ฟังเสียงเทพอะไรก็ได้ตามที่ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบฟังไอยหนึ่งที่ปผโสดเนอะท่านว่าขณะที่ได้กําหนดจิตอยู่ใกล้ใกได้ยินเสียงอย่างว่าเขาพูดเธอยู่ในบ้านเน่ะเขาว่าอะไรเรื่องให้ท่านนี่ะได้ยินใกล้ใกล้นั่นนะ่ะเหมือนกับมันพูดอยู่ ใ, ใกล้ใกล้ท่านน่ะแต่เขาพูดเธอยู่ในบ้านเน่ยนะแต่ว่าท่านได้ยินเสียงปรากฏอยู่ ใ, ใกล้ใกล้นี่ย น, นี่ก็เป็นสีพัดโสดส่วนตาทิพย์อันนี้มันเห็นเลยเปิดแสงสว่างโลำมองเห็นมีทั้งของทิพย์มีทัท้ทงตาทิพย์อันนี้เครื่องอันนี้นะ่ะเครื่องเครื่องดูเครื่องพิสูจน์ทุกันที่มีจิมวัฒท่านเป็นจิมวัฒน์สงสัยในรกจึมวัสงสัยสวรรค์จิมวัฒนสงสยังสงสยว่สสาการเกิดมา แต่ชาตินั้นชาตินั้นได้ได้สร้างบา ร, รมีได้ทาบุญทําบาปยังไงมันได้อย่างนั้นมาจริงหายสงสัยพอทันรู้ทันเห็นส่วนผู้ที่มีเป็ัญญายิ่งมุดกะไม่ได้ก็ไม่ไไ ม, มีขีดยาแต่ท่านก็ไม่หาท่านก็ไม่มีความสงสัยเรื่องมนุษสวัรด์ทั้งๆ้งที่ท่านไม่เห็น แต่ปฏิทจท่านแน่ว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปเป็นหลักเป็นผลไปทาบุญกเกิดผลบุญทํำบาปก็เกิดผลบาปแน่แน่แนในหลักลลกรรมในวิบากกรรมได้ไว้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพอใจมันแน่วแน่ลงไปแล้วไหนขนาดใจเข้าถึงธรรมก็รับรองในในหลักของธรรมทางทนี้ไม่เห็นแต่ว่าท่านที่อภิญญาได้พระญาณที่วา่า ทั้งรู้และเห็นด้วยดูได้ด้วยและเห็นได้ด้วยแล้ยานที่บนเสาส่งกระแสไปดูอย่างว่ากำหนดดีพับก็จะสามารถเกิดแสงกรสว่างให้คนมองเห็นได้เลยก็ตัวเขียบเคียงในลักษณะยานนะมันก็เป็นลักษณะของสัญญาเนะั่นแหละพวกเราก็มีสัญไ อ, ไอ้สัญญาแบบนั้นะ แต่ว่าไปดูมันก็ไม่เป็นตามที่เราวาดมโนภาพไว้ตัวอย่างว่าพูดที่บอกเคยแบบประเทศเดียนะไเขาเล่าประเทศเดียเป็นคนที่ฟังภาพวาดมโนวาดมโนภาพประเทศเดียเป็นอย่างสถานที่เตัะสูตรตัสุดูการเดินทางเปอย่างไ น, นเกิดมโนภาพขึ้นในจิตแต่ว่า ไปดูมันเป็นอย่างนั้นส่วนขั้นที่ได้ที่ไปจากสุขท่านเห็นนะไปดูก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นในจิตนะไม่ผิดเลยจิงเรียกว่าเป็นทิพตาทิพเโตปริยายส า, ามารถกำหนดรู้ใจก็รู้ได้ มีลักษณะคนลักษณะกําหนดดูใจคนอื่นบางท่านเปลี่ยงเปรียบเขียยไปฟังท่านจะกำําหนดดูที่หาไทโารกของบุคคลผู้นั้นกาหนดใจว่าโอมว่าเห็นหาไทลาูกเท่าหาไทโารกของบุคคลนั้นเป็นยังไงนะท่านรู้รู้ไงบุคคลผู้มีว่าน้ํนาเรียกหอยใจมันแปลกกัน อ่ะคนที่มีราคะ ก, ก่อนในน้ําเลื้ยงหัวใจ เ, เหมือนกับน้ํำล้างเนื้อดอยู่ในนั้นแต่ผู้ใดที่ใจบริสุทธิ์ก็ขาวผองใสบางคนที่มีปัญญาเนาะพราําหนดพบแสงสว่างวาบวาบวาบที่หัวใจนันเป็นแสงสว่างวาบเลยเป็นเหมือนลงแก้วเลยสามารถมองเห็นเป็นเหมือนลงแก้วเลยหัวใจของคนที่มีปัญญาของคนที่มีของคนที่บริสุทธิ์ รู้อย่างนีนแต่ทีนี้รู้ความคิดความปรุงความแต่งกันข้าวมัเป็นมันเสียงดังให้ท่านได้ยินเนี่ยเขาพูดใจของบุคคลผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งนั้นก็เหมือนมันมันพูดอะไรท่านจะฟังแล้วก็ดับฟังเสียงเขาพูดในใจแต่ใจมันคิดท่านั้นมันไม่ได้พูดหรอกนะแต่ท่านได้ยินจําความจําเนื้อเรื่องนั้นะ อย่างนี้เราก็เจตัวปริยาญาณภูเพนะวาสานุสิญาณระลึกชาติผนหลังตัวเองได้ตัวเองได้สร้างมาเรียนทัศน์ไหนมาเติมต้นเพระพุทธเพราะโพธิเจ้าที่ไหนได้ทําบุญให้ทานยังไงปรากฏเห็นตัวเองเลยเป็นรูปหลางความสันฐานชาตินั้นพบนั้นเคยเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลหนึ่งเห็นชาติเจน อะไรกับมันปรากฏวาบเห็นเลยเขาเห็นว่ากับดับปุ๊บไปถึงไหนกับมันก็ย้อนมาหาตัวเองอันนี้เปรียบที่ให้ฟังแบบบางท่านบางองค์ท่านเล่าให้ฟังแต่เราไม่ได้อย่างท่านกัอยากสุตตัปปตายปาริยานอันนี้สามารถพิสูจน์การเกิดแก่เจ็บตายของคนอื่นได้ว่ามอนี่มัน มันเกิดวิบัติอย่างนี้อจะสามารถกําหนดรู้อดีตชาติของมันได้แต่ชาติก่อนนะมันเคยได้ทําบาปอะไรไว้มันจริงมันเป็นอย่างนี้สามารถกำหนดรู้ตามกระแสจิตของบุคคลผู้นั้นที่มันไปสังเวยไปตามไม่ว่าจากสวรรค์มาจากตระกหลรู้ตัวตัวหนึ่งก็ตามกแสไปนะจนมาถึงปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าจิตตุปปายาตสามารถกําหนดรู้การอุด อุบัติและเกิดของมรดสัตว์ทั้งหลายได้เจ้าอาวาสะวรรค์ยานสามาธธรถทำอันซ้อนให้หมดสิจักจิตใจได้อันนี้เป็นฝ่ายที่เป็นเจโตโดยมุดฝ่ายเจโตโดมุดน่านได้สําเร็จมาผลไม่ใช่สําเร็จอย่าง พ, พวกปัญญายมดุดพวกที่เป็นเจโตโดยมุดท่านสามารถบําเพ็ญสมาธิได้ฌานสี่ ได้ฌานสี่แล้วเข้าอารูปฌานสีด้วยได้รูปฌานสี่แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติด้วยเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็นื่เราไปถอนจิตตรงเข้าที่โนธสมาวัตรถอนจิตออกตรงนั้ น, นอันนี้ผมเป็นตามแนวทางที่ผมไดเรีาเนีแต่ว่าพวกดูสีชีไฟให้เขาก็มีเขาได้ท้งรูปฌานอรูปฌานนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีนิโรธสมาบัติพวกนั้น มันสามารถละดถอนอัตรษกิจได้ทีนี้มีคุณค่าภาษาวกที่ได้เจโดยมุดไ้พิญญาเนะี่ยหกท่านใจะใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะก็คืออิทธิวิธิตัวนั้นนะสามารถบาปปามสามารถทรมานตระกรรมโคตรถึงที่มี ที่เป็นมิชฉาทิถีได้ทารมาคนที่จะมาเป็นปฏิบัติต่อศาสนาได้ผ่าปราชญ์ประเภทนั้นจึงรักษาศาสนาไว้ได้ใครจะมาลุกลานจะมาย่ายีทักษามาสตร์คมของรักษาไม่ได้รึกษาศาสนารักษาหมู่คณะไว้ได้เป็นอย่างดีนเมื่อศาสนาภายซร้อยสุดท้ายตรงที่ประเทศเดีย พาลานที่เป็นฝ่ายเจโดยมุดท่านไปกันปริบาตกันเหมือนแล้วยังถึงเหลือปัญญายมุดอยู่ในประเทศนี้ถูกพว ก, พวกาศาสนาอิสลามบุกเข้าพวกเรานี้ก็หลบหนีท่นานาลนประเภทปัญญายมุดพอถ้ามีทางสู้ก็หนีไปอยู่ประเทศลังการหนีไปที่ลังการ กอิสลามยัเข้าบุกเทำลายมหาวิทยาลัยนาคันธาฆ่าพระตายเป็นหลายพันสองสามพันหนึ่งแต่เป็นภาพฝ่ายมหายานไม่ใช่เป็นพระเหตรวบาทที่เป็นภาะฝ่ายมหายาณ น, นะแยกกั น, นตรงข้างแอกพระมหากัสปะพร้อมด้วยหมู่คณะ ทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่เรียบร้อยแล้วกี่ตรงอันหนึ่งที่พระสงฆ์ทั้งหลายหนึ่งไม่ยอมถอนคือเรื่องพระวินัยว่าพระปฏิจาณสั่งผ้าเอาไว้ว่าอาบัตเด็กๆได้หน่อยเอาบัตเล็กๆได้น้อย หากว่าเราปริพานนะสงมีความประสงค์อยากจะถอนก็ถอนได้หม อ, ออาโนนอาโนนก็จําไหมแต่พม่ไดถาม ว, าาว่าสิขาบทเล็กน้อยนอยนั่นคืออะไรเมื่อทําสังขัยนาพระอาโนนก็ยกหัวขอนในหมายรอยสงทั้งหลายฝันสงแล้วก็ถามจี้ว่าพระอาโนนที่ว่าสิขาบทเล็ ก, ล ก, ลกลน้อยน้อยนั้นคืออย่างไหนอาโนนก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ถามไว้ เมื่อไปถามไว่าพระเทระทั้งหลายจึงตกลงจะเทระวัตเพ อ, อยหางไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแล้วทำสังขายรเสร็จตรงนี้เทรวัตทําตามคําสวสดของพระเทระทั้งหลายการนี้ว่ามีพระอีกข้าร้อยรูปซึ่งได้มาได้มาร่วมทําสังขายนากับพระสงฆ์หรอเนี่ยดูจะมีท่านมีท่านปุรณะเป็นหัวหน้า ออพอมหาการสบาท่านทำสังขารเสร็จแต่ท่านก็มาพร้อมมาก็เลยกล่าวว่าการที่มหาการสปะพร้อมโดยหมู่คณะธรรมสังขายนานครับทำดีแล้วหนูท่านเนี่ยทำดีแล้วแต่สาหรับผมก็ได้ได้เรียนได้ศึกษามาจากพุทธิยาโดยตรงจากพระอาพรโอทโดยตรงก็ะจะถือไปตามที่ผมได้ยินได้ฟังจากพุทธิยานนั้น ปฏิแต่แยกตรงนี้ดังนั้นพระปุรณะที่เป็นหัวหน้าหมู่พาหมู่คณะนาือบตั้งสีอห้าร้อยเนี่ยครับบริวารไปปฏิบัติประเภทหนึ่งจึงไปตั้งคณะตรนมานที่ว่าเป็นมหายานี่เป็นฝ่ายมหายานแปลว่าเขาเขาแปลว่าเขายานใหญ่ถือหลักว่าเมื่อพระปิเจ้า ทรงอนุญาติให้แก้พระวินัยแต่ก็แก้ได้ก็ประกาศแก้พระวินัยคั้งแรกกันดูจะมีสายทั้งฝ่ายโยมทั้งฝ่ายพระฝ่ายพระก็ประกาศเผยแผร่ศาสนาประกาศศาสนาก็ดูทําเป็นหลักดีหน่อยหนึ่งแล้วก็มีฝ่ายพระแล้วฝ่ายโยมโยมช่วยประกาศศาสนาด้วย หมูโยมเขก็มีลูกมีเมียร ป, ร ป, รประกาศศาสนาช่วยพระต่อมาในพวกเกื้อโอาจารย์อะไรเ่ยเขาประกาตั้งหน้าที่ขึ้นใหม่ใหม่เลยแต่ว่าพระพุท่เจ้าให้แก้แล้วก็ต้องแก้แก้พระเวไนบางอย่างแ ก, แ ก, แ ก, แ ก, แก้จนถึงมีเมียได้ว่าไงเนย่ย่าห้ามให้มีลกูกมีเมียแก้พระวไนพระวไนก็ให้ประกาศมีเมียได้ มีครอบครัวได้อนาคตที่เขาบวชกันมาอยู่มาทางศาสนาไม่ได้กับพ่อมันขาดอันเดียวนั้นขาดบ่มีเมียนั่นแหละก็มีแล้วคอยอยู่ได้นนักฝ่ายมหายาณก็มันก็มีเยเปนในประเทศจีนประเทศเกาหลีแต่วก็ประเทศญี่ปุป่นที่มีเป็ตัวอย่างมีพระมีเมีย ส่วนพระที่ไม่มีเมียก็มาประเทศพระมาปร ะ, ประเทศไทยคอมเมนต์ลาวอั น, นี้คำเมรุรับไปจากประเทศไทยตัวประเทศไทยนั้นได้มาสมัยครั้งสังขยาณาครั้งที่สามพระเจ้าทรมหาราชเป็นอุปธรรมพระโมกขลีบุตรติสเถรละทำสังขยาณาครั้งที่ส ยังมามีนาว่าต่อไปในภายหน้าในชมพูตะวีบนี้จะฝ่ายพระสูงคงจะตั้งอยู่ไม่ได้คงจะถูกศาสนาอื่น ม, มาลุกลามจะไม่ต้องส่งใบ ป, ปัดประกาศาศาสนาในที่ต่างๆก็ส่งไปลุกเก้าสายชายที่ยังยังมองเห็นยังเป็นตัวอย่างก็คือประเทศลังกา เขลังกาแล้วก็มาประเทศไทยว่าค่าวนั้นใช้กับว่าสวนณภูมิสวนณภูมิก็คงอยู่ในเขตขนครศรีธรรมราชทุกคนสุพรรณบุรีเป็นเขตสวนณภูมิ่ว่าเป็นเครื่องหมายที่พุทธศาสนาเข้ามาครัง้งแรกก็คือท่านสร้างองสาวริรไว้เป็นเครื่องหมายขึข้นที่นคนปรนปฐมเจดีนครปฐม เป็นหลักฐานอ้างเอิงว่าพุทธศาสนาเข้ามาตรงนั้นครั้งแรกนี่เข้ามาสายแรกก็เข้ามาโดยโดยมาทางเหนืนก็แบบสมัยนั้นมันใช่เหมมันอันตรายด้วยเรื่องใบชัดใบถูกลมยัขาดลมแต่ท่าก็ยังมากันได้ราคาเนื้อส่งว่าเทล่ามาสองที่เป็นหัวหน้า พระโสนะกับพราอุตรังเป็นพระหานทั้งสององค์แล้วก็คงจะมีมันมีเพียงสองชอบมีชื่อหรือจะมีมากกว่า น, นั้นก็ไม่รู้แต่คราวนั้นก็มาประกศาศศาสนาตรงนั้นก็ดูมีหลักมีฐ า, านอย่างนี้แต่นั้นพระหลานพระกินาสวรเพื่อนทำํทำทําได้ดีกว่าพุทธโชนเนมันเข้ามาเลย ท, ทั้งที่คนละภาษากัน๋ยู่ภาษา ก็ยังสามารถทำได้ประกาศศาสนาพุทธศาสนาก็มาสอนประชาชนมาถือได้อีกสายอนั้นสายครั้งที่หนึ่งเออีกสายที่สอ ง, สาางสเจ้าหมายกรุงสุโขทัยนี่เจ้าพระคุณลามดูจะส่งเสริมพุทธศาสนาจึงทรง คนไปไปขอพระจากประเทศลังกาแล้วก็ส่งคนไปบวชที่ประเทศลังกา น, น่นเนี่ยอาศัยแนวสองอย่างสองทางเนี่ยเป็นพุทธศาสนาทั้งแรกมากินน้ำไม้พวกเราได้ได้เรียนได้ศึกษากันทุกวันนี้แล้วก็ขั้งที่สองนี่คงจะได้นบาบัตรไปด ไต่ปีดกที่ได้ชัดเจนก็คงจะได้จากประเทศหลังการแล้วก็มีบวกอืดด่นๆว่าถ้าไต่ปีดกน่นใส่เรือสาเพอลอสามสาเพาก็พอใส่สมเภามาในข้าวการาสุกระูกพายุพัดถ้าไินัยปีดกปลิวไป ไปติดประเทศพม่านุ่มส่วนพักสูตรนั้นปิวมาติดประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามก็ส่วนอีอี่อภิธรรมอภิธรรมนั้นเขาอยู่ในประเทศพม่าเหมือนกันแต่สมัยนเที่ยอะไรของพวกมอญของสวัสดีดังนั้นก็นกนกนเลยเล่าอ่ะ คนที่ชำนาญในพระปฏพระไตรปิฎกและชอบกันนะที่สุดก็คือไทยไทยพสูตรชอบฟังนิทานกันส่วนพม่านะพระวินัยม่าวินัยไทยพระสูตรอนนะรมานะ่าวินัย ไ, ไทยพระสูต ร, ร, ร, ตรแล้วก็มอนอภิธรรมชอบเรียนพระธกันฝังงา น, นนันี้อันหนึ่งเร า, บร า, รารเับรไยืนแต่ว่าที่ได้ แต่พีดบ๊วาจริงๆคือตอนออกคุณรามกําแหงได้มาจากในรังการอนนราอกคุณรามกัแหงคุนทำมาสือไทยสร้างตัวมาสือไทยขเขียนแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นไทยก็แค่สือตัวสือตัวขอมภาษาขอมออกคุณรามกําแหงก็ สร้างมาซื้อเทียบเคียงเขียภาษาขอมนึกภาษาไทยพุทธศาสนาที่จะมาถึงพวกเรายะมากกว่าจะมาถึงพวกเรากันเนี่ยนี้มันหลายที่หลายแห่งบางครัง้งบางคราพุทธศาสนานี่นยไปปีดกเยี่ยมล่อยหล่อไปอที่โกงศรีธยาแตก เจ้าตากสินมากู้อิสระภาพผูพ้อิสระภาพแล้วก็จึงมาตามหาตำรับตำลาที่เก็บที่นันบักที่นี่มาโดยมากไปได้บ้นนานนอกของนาโนนมาเขียนมาติดมาต่อไฟผ้าที่ความก็เลอะเทอะแล้วก็ดูผ้าเจ้าตากจำได้ดูผ้าก็ สร้งเป็นอีกกองทัพอีกกองหนึ่งน ะ, ะกองทัพเจ้าพระฝังเจ้าพระฝังรู้จะเป็นคนเมืองเหนือข อ, องสภาต้องกองทัพต่อสู้จะ ย, ยกตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าต่อสู้กับพระเจ้าตากสู้ไม่ไหวต้องแพ้เจ้าตากจับได้ กลุ่มต่างๆั้างในก็ตั้งเป็นหลายกลุ่มจนพระเจ้าตากเก่งเก่งได้ในนาทีเพข อ, พ อ, พอจับสิ่งเหล่านี้นได้พระเจ้าตากจับภิกษุทั้งหลายมามาไม่สา ม, มารถจะรู้องค์ไหนบริรสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์องค์ไหนไม่มีศีลบริสุทธิ์ไม่รู้จึงอธิฐานจิตให้ท่านเหล่านั้น ด้ช้ใช้วิธีดำน้ําแข่งนาฬิกาว่างแห่อธิษฐานจิตบูชาเทวดาองเทวดาแล้วก็ดำน้ําเราก็ต้องดำเท่านั้นชั่วโมงนะก็ตั้งนาฬิกาไว้เนี่ยวันดำน้ําแข่งนาฬิกาวง อ, องไหนท่านไดชนะแล้วก็ไปนอพบพยศอย่างต่างๆค า, า, า, าถาสวสดน้มตัว น, นั้นเขามันมีแล้วเจ้าตากก็วิสูจน์แบบนั่นกันเลยก็สามารถจะรู้ได้แต่พอท่านก็นยกย่องพุธศาสนาเหมือนก จึงหาตำรับตำรามาพิมพต่อจนถึงเข้าถึงรากการที่หนึ่งและกันที่หนึ่งเมพมขึ้นมามีสัทธรรมปฏิรูปแปลงปลอมมาไม่ใช่เ็นี่เราเริ่มปฏิบัติเอาเอาองค์มกสามองค์ท้ายถามองค์ท้ายคือสัมมาวายามาสัมมสติและส ม, มาธิตั้งตรงที่สัมมาวายามา เอาใจปฏิบัติเข้าในนะั้นโยสัมมาพยายามเอียนพยายามพยายามเลยพยายามตั้งใจพยายามตั้งจิตพยายามรักษาจิตไว้ในาอารมณ์กรรมฐานจึงในวันสัมมาสติคือรักษาใจให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่เอาหลายอย่าง เป็นแน่จึงว่าให้รักษาสัมมาสตินะั้นคือทำํำทำสติของเราให้ใจของเรามันตั้งอยู่ในนัน้นจึงเรียกว่าสัมมาสติแปลว่าลึกที่ชอบแล้วตั้งไว้ที่ชอบแล้วนี่ตั้งไวท้ที่ชอบอยู่ถ้าอั้สิ่งนั้นนึงอาการที่เราตั้งจิตของเราหน้าไวนะ้นั้นที่ชอบแล้วมันพอแล้วเมื่อใดขั้งแรกเรียกว่าเป็นการตั้ง เราดึงเข้ามาเราประครองใจเข้ามาเข้าสู่จุดนั้นพที่ตั้งนั้นอย่างเฉพาะที่ตั้งกิจประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดตั้งมับรักษาความรู้สึกให้แนบแน่นอยู่ตรงนั้นหมดหน้าที่สติแล้วเราดึงความรู้สึกมาแปะไว้ปั๊บตรงนั้นหมดหน้าที่ตัวสติแล้วต่อ น, นั้นเป็นหน้าที่ของสัมพัญญาที่ต้องรู้จุดนั้นต่อไป แค่ติดต่อไม่มีความรู้สึกอยู่จุ ด, ดนั้นรุยไปไม่ขาดสายจึงเรียกวสัมป اي เจยะนี่ถ้าว่าสัมป اي เจยวมันถอนออกไปแล้วต้องใช้สติดึงมาอีกประคองมาอีกทําอย่างนั้นจนสัมป اي เจยะนะัติดต่อเนื่องกันใจลงสู่ผวังใจสงบวุบลงสู่ผวังแล้วเมื่อใดเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิสัมมาส ม, มาธิ นั้นใจต้องเป็นหนึ่งเรียกว่าใช้คําว่าจิตเป็นหนึ่งไม่เรียกว่าอารมณ์คือจิตคือความรู้สึกของเรามันจะไปรวมกันไปจุดเดียวเน่าเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในขณะที่เราตั้งครั้งแรกซ้ำจิตวิญญาณตั้งเดียวเราตั้งไว้จุดนี้เรียกว่าเอกาตารมคือมีอารมณ์อันเดียวหรือตั้งไว้ในที่อันเดียว เรีว่าตั้งจิตไว้ในที่หันเดียวเมื่อมาลงสู่ฐานเข้ามาแล้วนี่ว่าลงถูกประวังคือมันไปรวมกันเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมอยู่ในจุดเดียวนั่นเลงจึงเรยกวตกลงสู่ประวังรวมกันเมื่อรวมกันแล้วตัวดันเด่นชัดทีนี้ตัวที่มันเด่นชัดคือดวงรู้เรื่กว่าใจ ก็จะรู้จักตัวกลางเอ๋อนี่ใจเขามาลงมาถ้ามันจะรู้จักเองไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นยังไงเก็บใจอย่ไม่ต้องไปถามขอให้การลงสินจุดแล้วมันจะเป็นเครื่องชี้เครื่องบอกขึ้นมาได้เองนะไม่มีความสงสัยในเรื่องกิตเรื่องใจเรื่องเหนียงต่างๆตลอดตอนนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณนี่ใจรู้เลยมันด้ไปโลเล ่ว่าอันไหนเป็นไหนไม่ต้องไปถามอยู่แล้วเพราะคึ้ไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไปเขียตำรายเอาจดจำอย่างฝรั่งฝรั่งนั้นว่ามีใจแต่ว่ามีสมองความคิดองามปรุงนเป็นสมองไม่มีใจเขาดันไม่มีใจไม่มียาก็หวาไปแต่ในภาคปฏิบัติเมื่อใจมันถึงอย่างนั้นเลย แล้วต้องไปถามคนหนึ่งล่ะผมจับขึ้นมอนี่มัใจไม่มีตัวตอนไม่รับความสำคันจะสามารถกําหนดอาการได้หรออ๋อหัใจเปี้กําหนดอาการถ้าขึ้นมาม่มีตัวน่ะแต่เป็นสิ่งที่มันมีมีรู้เวลาเข้าไปตั้งอย่างรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ไปรู้อยู่ตรงนี้ตรงที่มันรู้ มารูปจุดแล้วลงไปตอนนี้มันเข้าถึงใจแหละคานนี้ตัวสัมมาทิฏฐินั่นมันจะเกิดสรมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นชอบยังไงเห็นในหลักอริสัตย์ปรากฏขึ้นมาในจิตเลยนี่ลราถือทุกนี่เราคือสมุทยัยนี่เราคือนิโรธนี่หระคือมรรคปรากฏขึ้นมา แล้ววกรานีคือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณนี่ใหญ่เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ว่าองค์มรรคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาสิธิสีมมสมม่อันแล้วก็ เมื่อสัมมาทิ่ฐิเกิดสัมมาสักบะบก็ตามมาการระเบินึกขึ้นที่จะที่จะปล่อยวางส่วนสัมมาวาจาสัมมากรรมันต์สัมมาทิฏฐิมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใดเลยเกิดไปตามเป็นรวมกันเข้าเรียกว่ามัคสสมขีถือเป็นสัมมาทิที่จะเป็นแม่หมดเป็นตัวใหญ่เป็นแม่เล็กใหญ่ที่จะรวมองค์มัคทั้งหลายเข้านั้นเป็นอันเดียวกัน นี่ถ้าแยกแยกข้กากับวิสินแต่นทีน่ปัญญาสํามาวาจ่าสัมมากรรมตัดสัมมาหิวะนั่นเรียกว่าศีลมันมีแต่ภายในทั้งนะั้นมีภายในจิตทั้งนะั้นสินสะิกขาเนาะมันมีมีกายกับใจรักษากายวาจาแต่นี้ถัดหมายถึงเจตสิกหมายถึงการกดเวน้นการงดเวน้นอันนี้มันไม่ได้ไป ไปเจตนางดเว้นศีนนั้นเราต้องเจตนากดเว้นคือเราสมาทาน่ะคือเจตนาจงแจว่าจะงดเว้นว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ปฏิญาาปานาธิปาตาเวรมณีทํำไง่ะจะหดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในนาธานาน้นกันเป็นการวดเว้นวนเว้นว่าจะเว้นจะเว้นทั้งนั้นที่เวรมณีการเว้นว่าเจตนาจงแจว่าจะเว้นอย่างนั้น เป็นการสร้างเจตนาเพื่อเพื่อเจะก็งดเว้นแต่ว่าถ้าในองค์นั้นมันเป็นวิรัติไปแล้วมันตัดขาดไปแล้วเรื่องเห็นโทษเห็นคนมันปรากฏขึ้นในจิตเองไม่ต้องไปงดเว้นมันงดไปนล้วมันเป็นเนืของวิรัตตัดขาดออกไปที่จะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประเด็นมันไม่มีเหมือนกับว่าเอาอย่งข้อปารานติบาตถ้าเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ ไม่ต้องมาสมทานปานาเมตตารักกับสงสารกรุณาจะช่วยขึ้นพุกอตัวอย่างว่าว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เรารักจะให้เราไปฆ่ามันได้เหรอเพราะความลากมันเกิดขึ้นแล้วนจะไปฆ่าไม่ได้หรือว่าเราจะฆ่าลูกฆ่าหลานเราได้หรือเนียกว่าเมตตากรุณามันเกิดแล้วในสีขาหมดนั้นมันจึงบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นที่จิตแล้ว นี่สียงอื่นก็พลอยตามมาเรียกว่าธรรมะมันเกิดอย่างนี้ความอายบาปความกลัวบาปอะที่แม่หมดใจอมิหารอมิหารเกิดขึ้นในจิตเมตตากโรโนามุนิตาอุเบกขานี่ยจะเกิดขึ้นในจิตทีนี้ตัวแม่เสียงก็คือละอายบาปละกลัวบาปเนี่ยทีนี้วัฏบาทเกิดขึ้นในจิต นั่นคือเป็นเป็นแม่ศีลนะเห็นเรื่องอุปถัมภ์หาให้ปาวกวัวปากใครใครจะไปรู้เรื่องในศิสัตไปดิเห็นว่าเรื่องเราปฏิบัติตามนี้องค์มากก็จะไปรวมกันนี่การปฏิบัติองค์ในองค์มากนั้นก็เป็นทั้งภาคการศึกษาภาคปฏิบัติเฉพาะภาการศึกษาก็คือเราใช้สัมมาสัมมาทิฏฐิก่อน เป็นต่ออย่างไรเพื่นจึงเรียงตามธรรมะที่เราเอาศิ้นสมาธิปัญญาเอาสีลนขึ้นก่อนได้สมาธิไว้ก่อนแล้วปัญญาสุดท้ายแต่อองมากสี้นก่อนสีลนแล้วกับออออปัญญาก่อนปัญญาแล้วก็สิน้นสินแล้วก็สมาธิปัญญา สามามาที่ฐิสามารถสักปะสองตัวเน่ยมันเป็นตัวปัญญาสัมมาวาจ่าสัมมากรรมตัตสัมมาเฉวเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมธินั่นคือสมาธิเอาไปวันท้ายด้วยสมาธิเอาศีลไว้ก่อนปัญญาไว้ก่อนทํำไมเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องว่าเข้าใจว่าคนเราจะทําดีก็จะให้ท่านนักศึกษาศีลเจอต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อน ถ้ามันมีความรู้ความเข้าใจ ก, ก็ทําไม่ถูกหระเมื่อทําไม่ถูกก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลอย่างนั้นท่านจึงให้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องซะก่อนเข้าใจซะก่อนจึงลงมือปฏิบัติจงลงมือทําำพวกเราที่พากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เราเข้ปฏิบัติตรงพอสัมมาวยมามะที่ผ่านจนสัมมาทิฏฐินั้นอาจารย์ก็ให้อยู่ตลอดเวลาแนะนำคําสอนจู แจูงบางครัง้งมากคราวเนี่ยตามแนวที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้เอาอย่างอื่นแล้วหลักที่เคยปฏิบัติกันอยู่ยนะย้าตรงนั้นให้ทําให้มันถูกต้องเตงโดยให้เราสร้างความเพียรพยายามเพื่อมันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นเมื่อเราเพียรพยายามทมาํามากเ ข, ข้ามากเขาเ้า ม, ม, มันก็เป็นมันก็มีก็เป็นเราก็ต้องต่อเนื่องมาเรา เราไม่ปล่อยใจไปไหนอยู่ไหนก็รักษาใจเรวเองจับจุดรู้เราเป็นที่ใหมยจับจุดรู้ที่เคยให้แนวอ่ะที่ตั้งกิจประโยชน์เลยเรากั้นลมแล้วก็ดึงความรู้สึกว่าผมก็จะมีความรู้สึกในจุดนั้นโดยว่าก็คือดึงมาเอาเอาตรงโอ้นี่เป็นที่ใหม่เนือไม่เห็นแ้วก็ทําความรู้สึกที่กายพับก็เหมื ไอ้ใจก็งเรามารู้ตัวทั้งหมดนี้เรานั่งเนี่แต่มันไม่เป็นที่สบายเพรมันกว้างไปไอ้เฉพาะก็คือรู้เฉพาะดวงรู้รู้เฉพาะจุดรูนะ้น่งมันเป็นที่หมายจงเป็นที่รวมรวมถ้าไปรู้ทั้งกายแล้วเหมือนก็เหมันก็กว้างไปอตอนนี้ไปทุกคนก็พั ก, กันน้อมใจเข้าไปตั้งใจแนี่ยโอ้โหยุดตรงนี้เลยเนะี่ย ของความรู้สึกเข้าไปสู่จุดตังคับเข้าสู่จุดรู้นะรักษาจุดรู้รักษาความรู้สึกให้รู้อยู่ในจุดรู้เนะี่ยเอานี่ยนะตัวเป็นตัวสําคัญเ้าต้องการจะทําใจสงบตั้งมัน่นดึกสมาธิไม่ใช่อื่นไปจนจะมีปัญญบัญญัเกิดตั้งใจเป็นสมาธิซะก่อนให้เป็นสมาสมาธิเกิดขึ้นซะก่อน แนวปัญญาที่โอนภาะสารยาน้่งตื่นกันห